ประชาชาต ป, ปัจจัยยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่แแเป็นอาปปสวะโดยประชาชาต ป, ปัจจัยได้แก่อาสวะที<ม>่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยประช้าชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยปัจช้าชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเกิดภ<อ>ายหลัง เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่อาสวะและสัมปยุตตะขันที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตะปัจจัยอาร์เซวนปัจจัย30สสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอาศวัณปัจจัยเมงฆาวาระกรรมปัจจัยสาสบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยกรรมปัจจัย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 และที่ไม่เป็นอาสวะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมยุติขันอาสวะและจิตตสมุทัยนรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยและอาหารปัจจัย32สองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอาหารปัจจัยในปฏิสนธิขณะกวลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารรับปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอาหารรับปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตอาสวะโดยอาหารปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันอาสวะและจิตตสมุทารูปโดยอาหารปัจจัยอินทริยปัจจัยเป็นต้นสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอินทรีย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอินทรียะปัจจัยในปฏิสนธิขณะจากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากขวิญญาณกายินทรียเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอินทรีย์ปัจจัยรูปปัจจิวิตินทรีเป็นปัจจัยแก่ขตัตารูปโดยอินทรียะปัจจัยมีสามวาระ เป็นปัจจัยโดยชาณะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยเมี9าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยเมี9าวาระวิบยุตตะปัจจัย 34. สสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยวิบยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจชาชาตะสหชาตะได้แก่อาสวะเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูป โดยวิบยุตต ป, ปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อาสะวะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตปัจจัยมสหสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะโดยวิบยุตตปัจจัยมีาสามอยะะ่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันที่ไม่เป็นอาสะวะ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 โดยวิบิยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือภูเรชาตะได้แก่หาทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อสุวะและสัมปยุตตาปัจจัยโดยวิบิยุตตปัจจัยสาสภาวธรรมที่เป็นอสุวะและที่ไม่เป็นอสุวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอสุวะโดยวิบิยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่อสุวะและสัมปยุตขัน์ เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิบยุตตปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อาสวะและสัมปยุตตะขันเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิบยุตตปัจจัยอธิปัจจัย37สภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยได้แก่กรรมสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐสวะและอวิชชาสวะโดยอธิปัจจัย พึงผูเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่อาสวะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที i i ่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยได้แก่กามาสวะเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐาสวะอวิชชาสวะสัมำยุตขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกันในสามสิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสาชาตะปุเรชาตะ ปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหาชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจเจก่ขันสามพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาจารย์สัตยพรมปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมนันจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสธทาตด ร, รูปายตนะ เป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณจากขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขรวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาไทยวัตถุเป็น <an> ปัจจัยแก่ข <face> mm ันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่กายนิที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัย เกลิงกระหานเป็นป Simply, ania, ัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปปชีวิตินทร์สี่เป็นปัจจัยแก่กระตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่อาสวะโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุ อาทัยวัตถุเพราะปรารุความยินดีเพื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นอาสวะจึงเกิดขึ้นหาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อาสวะโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันสาม อาสะวะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปั จ, จัยและถึงขันธ์สองพึงผู่เป็นจักกันในสสิบสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะและที่ไม่เป็นอาสะวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะโดยอธิปั จ, จัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่กามาสะวะและสัมยุญตขันเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐานสะวะและอวิชชาสะวะ โดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจกกนักกันในกามาตวะและหทไทยวัตถุเป็นปัจจัยแกท่ทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกนันในสภาวธรรม ท, ที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหาชาตะภุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหารและอินทริยะ สหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะและอาสวะเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่อาสวะและมหาปูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยอาสวะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อาสวะและโกลิมกราหาน เป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่อาสวะและรูปปชีวิตินทรีเป็นปัจจัยแก่ขตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างเคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันหนึ่งที่ไม่เป็นอาสวะและกามาสวะ เป็นปัจจัยแก่ขันสามทิฏฐะสวะอวิชชาสวะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละถึงขันสองพึงผูกเป็นจกกนักรไนชาตะได้แก่กรรมาสวะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ทิฏฐะสวะอวิชชาสวะและสัมปยุตตขันโดยอธิปัจจัยพึงผูกเป็นจักกไนหน 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระ สุทนายสี่สิเฮตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจมีเก้าวาระอนันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระชาชะตาปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจใจมีเก้าวาระนิสยปัจใจมีเก้าวาระอุปานิสยปัจใจมีเก้าวาระอุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระ ปชาชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวนปัจจัยมีก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระและถึงมรคปัจจัยมีก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีก้าวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีก้าวาระนัตถิปัจจัยมีก้าวาระวิคตาปัจัยมีก้าวาระ วิคตาปัจจใจมีก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสี่สิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอาสะวะโดยรมณ unt, าาะปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสะวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะโดยรมณ unt, าาปัจจัยสหชาตตปัจจัย อุปาณิสยปัจจัยและปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย4ีสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยปุเรชาตะปัจจัย ปัจฉาชาตะปัจจั Life, y, ยกรมมปัจจัยอหาราปัจจัยและอินทริยาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมท well ี่เป็นอาสวะโดยรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาเนสียปัจจัยและปุเรชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยรมณ์ปัจจัยสหชาตะปัจจัย อุปาณิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย43สาสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอาสวะโดยรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะโดยรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นนาสวะและที่ไม่เป็นนาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะโดยอรมณะปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาเนสียปัจจัย 2. ปัจญญาปัจญยะ 2. สังคยาวาระ44นเหตุปัจจัยมี๙วาระณอรมณะปัจจัยมี๙วาระาทิปติปัจจัยมี๙วาระ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระโนวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจจ尼ยะจบสปัจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกกนณ์45ณอระมณปัจจัยกับเฮตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมณันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาินสยปัจจัยมีเจ็ดวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเจ็ดวาระนมะฆาปัจจัยกเพตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณสัมบยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนนติปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมปัจจนยะจบสปัจญิยะปัจจญญานุโลมณเหตุทุกกขไย อารมณะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัย่งเก้าวาระอธิปติปัจจัย่งก้าวาระบทอนุโลมบริบูรณ์แล้วอวิคตะปัจจัย่งก้าวาระปัจจิยานุโลมจบอาจวะทุกขาจบ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 ขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตาในรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นอ <Todd, S 2> ารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะ <führt> อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจใจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมทีม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นและถึงอา ศ, อาศัยขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาจวะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปอาศัยขันที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นพึงทำสาสวะทุกกะให้เป็นโลคิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสาสวะทุกกะจบสิบหก อาสวะสัมปยุตตทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังเขวาระเหตุปัจจัยสี่สิบปดสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นโมหะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรรคตด้วยโทมนัตที่สหรรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะและที่วิปยุตจากอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุดด้วยอาสาวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่สัมปะยุดด้วยอาสาวะเกิดขึ้นและถึงขันสองขันสามโมหะและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคต ด, ด้วยอุทจจะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสี่ส้า สภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรกรวด้วยวิจิกิจชาและที่สหรคตด้วยอุทะจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะและถึง อารไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยภาไทยวัตถุเกิดขึ้นมหาพูทธรูปสามอาศัยมหาพูทธรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาพูทธรูปหนึ่งอาศัยมหาพูทธรูปสามเกิดขึ้นมหาพูทธรูปสองอาศัยมหาพูทธรูปสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทยรูปอาศัยมหาพูทธรูปเกิดขึ้นสาภาวธรรมที่สัมปยุติอาสวะ อาศัสายสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่สัมปยุจตากขันอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุจจากขักดดนและจิตตาสมุทฐานรูป อาศัยโมหะที่สรารคตด้วยโทมนั์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นห้าสิบสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหะรคตด้วยโทมนั์ที่สารคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุติจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติด้วยอาสวะและที่วิปยุติจากอาสวะเกิดขึ้นเ พ, นพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมตุทฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุติด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมตุทฐานรูปอาศัยขันและโมหะที่สหรรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยจิกิกิชา และที่โสหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตะสมุทานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่โสหรโคด้วยอุทัจะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สอง อารามณะปัจใจห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่จะประยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่จะประยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่จะปรยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่จะปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารามณะปัจจัยได้แก่โมหะอาศัยขันที่จะหัวรักด้วยโทมนัส ที่สหะรักด้วยวิจิกิจฉาและที่สารคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวธารรมที่สัมบยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิบัยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรร ม, รมที่สัมบยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมะณะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและโมหะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สาะรคตด้วยโทมนัตที่สารักด้วยวิจิกิจฉาและที่สาะรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองห้าสิบสอง สภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่วิปิยุจากอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมบยุญัตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ สัมปัญยตขนันอาศัยโมหะที่สหร์รคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปัญยด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปัญยด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณระปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา aw, และที่สหรคตด้วยอุทจฉาเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองอธิปติปัจจัย 53. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้ดยวยอายสาวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่วิป ย, ยุจากอาสวะเกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที evet. ่สหอรคตด้วยโทมนัะเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่สัมปยุทธขันอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัะเกิดขึ้น สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดข like <halfway> <Short> ึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์จาขันและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สารคตด้วยโทมนัะเกิดขึ Punch ้น 54. สภาวธรรมที Deadpool ่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหระคตด้วยโทมนัะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุจด้วยอาสวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันและโมหะ ที่เสหรโคดด้วยโทมนั์เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตส ม, มุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งและโมหะที่เสหรโคดด้วยโทมนั์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันธ์สองพึงขยายปัจจัยทั้งหมดให้พิจารณาอย่างนี้ยอ่อ ห yup. ปัจจญานุโลมสองสังคยาว ara, าระสุทนายห้าห้าเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมนันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ ปณิสยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอาสิวะปัจจัยมีหกวาระกรมมปัจจัยมีเ้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเ้าวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานะตัจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยมีเ้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระ อธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปั จ, จยะปัจจญยะหนึ่งวิพังขวาระนเหตุปัจใจห้าสิบหกสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่ โมห oh ะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะอาศัยขันที่สหรูคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรูคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่วิปิยุจากอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปิยุจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทนานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปิยุจากอาสวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตยพรมณอารมณปัจจัยห้าสิบเจสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุจด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอารมณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่วิปยุตจากอาสวะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหรคตรด้วยโทมนัตที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจักเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะหาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่ง เพิงเพิ่มข้อความจนถึงอาสัญญสัตตพรมสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยอาสวะและที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพรา ะ, ะอารมณ์ปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุจด้วยอาสวะและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคต ด, ด้วยโทมนัตที่สหอรคต ด, ด้วยจิกิกิชา และที่โสฮรักอด้วยอุทจจะเกิดขึ้นณอธิปติปัจใจห้าสิบปดสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้นห้าสิบเกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะเกิดขึ้นเพราะนบุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโมหะที่สหรครด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจฉาอาศัยขันที่สหรคตดด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุทัจะเกิดขึ้นจิตจะสมุทฐานรูปอาศัยขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจะเกิดขึ้นละถึง อาศัยขันสองหกสิบสภาวธรรมที่วิปยุจากอาศ ะ, ะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากอาศ ะ, ะเกิดขึ้นเพราะนบุเชรชาตปัจจัยได้แก่ในอรู ป, ป, ปาวจรภูมิขันาสามอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจากอาศ ะ, ะเกิดขึ้นพระถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่วิปยุจากอาศ ะ, ะเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป อาศัยโมหะที่สหรคตรด้วยโทมนั์ที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตรด้วยอุทจฉาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณนะพึงเพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญะสัตตพรมสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตขันอาศัยโมหะที่สหรคตรด้วยวิจิกิจฉา และที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยอาสะวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธจากอาสะวะเกิดขึ้นเพราะนบปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในรูปาวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง สภาวะธรรมที่วิปิยุตจากอาจวะอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอาจวะและที่วิปิยุตจากอาจวะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอาจวะและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์และโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธจจะเกิดขึ้น พราะนาปชาชาตาปัจจัยมี9้าววาระเพราะนาอเศวณปัจจัยมีก้าววาระนกรรมปัจจัยเป็นต้น 62. สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์ตเจตนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก่วิปยุจเตชะเจตนาอาศัยขันธ์ที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุจเตเจตนาอาศัยโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัทที่สหรคตด้วยวิชิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น สภาวธรรม ท, ท, ที่ ส, да สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปยุทธ์จากอาสวะเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์แต่เจตนาอาศัยขันและโมหะที่สหรคตด้วยโทมนัตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทธจจะเกิดขึ้นเพราะนวิปากาปจจัยเพราะนอาหาราปจจัยเพราะนอินทริยปัจจัยเพราะนชานะปจจัยเพราะนมัคราปจัย พระณสัมปยุตตปยยัจจัยเพราะณวิปยุตตปยยัจจัยเพระโนนะติปยยัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัย 2. ปัจยปัจญียะสสังคยาวาระสุทไนัย63บสณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยมีสาวาระนาทิปติปัจจัยมี9้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสาวาระณสมนันตรปัจจัยมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิสิกปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระนปัจฉาชาตะปัจใจมีเก้าวาระนอาสวะณปัจจัยมีเก้าวาระนกรมมปัจใจมีสี่วาระนวิปากะปัจใจมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ามคขปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตะปัจจัยมีหกวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจนิยะจบสปัจญานุโลมปัจนิยะเหตุทุกขะยนหกสิบสี่ณอรมะณปัจัยกับเหตุปัจัยมีสามวาระละถึง ณปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระละถึงนวิปากปัจจัยในเก้าวาระละถึงณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาร ะ, นร ะ, ะ, จจาระโนนติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจญญาจบสปัจญะาปัจจญญานุโลมณเหตุทุกขในหกสิบห้า อารามณะปัจจใจคำนะเหตุถูกปัจจัยมีสองวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยมีสองวาระละถึงกรรมปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาระปัจจัยมีสองวาระและถึงมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระและถึงวิคตปัจจัยมีสองวาระ วิคตะปัจจัยมีสองวาระสชาตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ